พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่28เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าคำว่าพอไม่มีในคนโลอคณะสัทธาญาจม หลุกลานนีะ่ทิดอาจเนี่ยเพิ่นบวชปีที่แล้วนีเพิ่นซื้อออกไปเพิ่นมีศรัท ธ, ธากับมูขนาดของเพิ่นเพิ่นลงธรรมเทศนาอ่านแอบแอบหลวงพ่อบูแอเ ป, ป็นเมคืน อ, อย่างเขาบูชาเลวะแอปของหลวงพ่อหลวงพ่ออินทว้เนะปะกันผูได้จะฟังเทศ เ, เปิดก็ไปได้แอบเรื่อะไปแอบหลวงพ่ออินทไว ตามให้จริงสิทธิ์อาร์มันน่าจะบอกว่าพิธีการกดเฮ็ดอย่างไรบอกบอ ก, บอ ก, บอกมูดล้ลยนะมีเทศหลวงตาอยู่48ปชุด48แพน่นะเทศหลวงปูหล่า40แผ่แนเทศของหลวงพรอ66แผ่นแต่ว่าจเจ้าลงอีกกัรปพอดอยากจะฟังเทศ ธรรมเทศนาของหลวงตาก็ดีหลวงปู่หลาก็ดีหลวงพ่อก็ดีไปว่ากดเข้าไปทีนี้เลยครับฟังแล้วแบบเอาจนหูแฉะเลยแลเราไปเราไปจะฟังกัน ไ, นนนนน ไ, ได้ว่อเราไปเทศเราไปโยนนี่มัดนี่นหกของหลวงพ่อหนึน่ว่าจะลงว่าจะลงไปอีกนะอืว่าจะลงไปอีกเดี๋ยวนี้เทศของหลวงพ่อทั้งหมดรวมทั้งหมด ทั้งธรรมชุดโดนใจธรรมะความจความทรงจำของข้าพเจ้าทั้งทั้งชาดกทั้งงานหลวงปู่จามที่หลวงพ่อได้อัดนะได้ออกมาเป็นแผ่นซีดีนะโดยในทั้งหมดเป็นร0 4ยแผ่นนะลูกหลานนะแต่เป็นธรรมเทศนาจริงๆเก้แผ่น ที่ธรรมเทศนาที่ที่เทศตามลำดับนะไม่รวมที่ว่าคัดคัดลอกออกมาจากกลุ่มนั้นแต่ว่าธรรมะชุดโดนใจโดนใจแกพวกผู้ที่ฟังเบื้องแล้วอืมกันนี่ดีไมฟังแต่โดนใจถูกใจโดนใจเป็นแนวทางที่ดีมาตะเพิ่นก็คัดออกมาคัดออกมา่ ต่มตั้งชื่อว่าธรรมะชุดโดนใจมีอยู่สองแผ่นแล้วก็ธรรมะ อ, อย่างอีกมีอยู่หกแผ่นอีกที่คัดโนมาสสรุปแล้วก็คือเอาคัดโนมาจากที่เทของหลวงพ่อร่วมกันแหละทั้งหมดลอยลอยสีแผ่นมากพอสมควรอยู่แต่หลวงพอ่อเขคิดว่าต่อไปก็าคงจะเพ้าๆรองรังบได้นะ บอกหลายก็บวดีแล้วคณะที่ว่าล้อาจต่อไปมันจะวนไปว่นมากบาดเนีเนเ่เพราะมันเถาเลยเพราะมันเถามันแกในขณะที่ช่วงจะแสดงความคิดเห็นได้อยู่ก็แสดงความคิดเห็นปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางหูทางตาทางใจอย่างไร ได้ศึกษามาจากธรรมะรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกหรือธรรมะลิกขิตของครูบาอาจารย์อย่างไรหลวงพ่อก็นำมากล่าวมาขยายให้กับคณะจัทตาญาติโยมลูกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, าแปลว่าหลวงพ่อมาฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธศาสนา หลวงพ่อคิดว่าสิ่งไหนที่รู้เข้าใจว่าเป็นอัดเป็นธรรมในใจของเราสิ่งไหนที่ไม่ใช่คิดทำร้ายทำลายคิดเป็นบุญพอพเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังผู้ได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็พยายามถ่ายเทจุดนั้นเพื่อที่หลวงพ่อเข้ามาใช้ชีวิตในพุทธศาสนาให้ทดแทนบุญคุณ บุญคุณของพระพุทธศาสนาวันนั้นหลวงพ่อคิดว่าพูดไปสักประมาณสักร้อยแผ่นก็น่าจะเพียงพอมั้งหลวงพ่อว่านะวันนี้เป็นวันที่ยี่สดเมษายนพุทธศักราช2559ห้าวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเมฆฟ้ามืดฝนก่อนหน้าดีนะ แต่พอมาถึงเมื่อวานเนี่ก็ฝนเทรตรงอย่างหนักเทยังไงก็คือคนมืดฟ้าหมัวดินเแล้วภานในงานของเราแต่วันนี้งานมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วเธอเนี่ย เ, เหมือนกับฟ้าฝนมืดลมเมฆบอกมันผ่านไปเลยวันนี้ก็เลยแจ้งจางปากกันไป <c oughs> แจ้งแจ้งจางปากใน ว, วันนี้คล้ายๆกับว่า งานของเราผ่านไปทุกอย่างแต่หลวงพ่อก็พูดว่าเออลูกหลานวันที่28นะั่นแหะงานของเราบวกหรือลบหลวงพ่อจะบอกให้ลูกหลานได้ทราบแต่ออกมาวันที่วันที่28แปดล้วลูกหลานงานของเราเป็นบวกนะหลวงพ่อเองเห็นคณะลูกหลานจัดงานทุกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมกันทําทุ่มเ ท, ท, ท, ท กายใจช่วยงานวันที่ยี่สก็วันเกิดของพ่อปีห้าหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้โอบุญรู้สึกว่าพร้อมเพียงสา ม, มัคคีกันดีมากเพราะนั้นขอให้หลวงพ่อเองในฐานะที่เจ้าของงานเจ้าของงานคือวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อขอขอบบุญขอบคุณ กับลูกกับหลานทั้งหลายและก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายเจริญเยี่ยงด้วยอายุวันนะสุขะภาละลาบยศสลเสริญสุขทุกๆคนดวงตาเห็นธรรมในที่สุดนันลูกหลานเน่าอันนี้คืองานของเราผ่านไปโดยดีกับพี่น้องทัตไทยญาติโยมโรงทานก็ทั้งหมดไปตั้ง 230กว่าโรงนะหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วพระยังมาทกเทียกันอีกปลออาองร้า250เออเพราะว่าผู้ที่มาทีหลังไม่ได้ลงลายชื่อไว้ก็มีที่ลงลายชื่อไว้ประมาณ230ากว่าพระก็มาก200กว่าชีก็เยอะนะชีก็ร้อยกว่าหนะลวงพ่ อ, อ ก็ตระกูลของหลวงพ่อเป็นตระกูลชีนะคุณแม่แก้วก็เป็นชีใช่ไหมคุณย่าของหลวงพ่อก็เป็นชีคุณอาเป็นชีวงศาขณาญาติโอเป็นชีเยอะนะบวชในพระพุทธศาสนาเป็นเป็นเป็นชีนะเห็นชีมาเมื่อวานนะ่งโอมากกระพร้อมกันกับพระสงฆ์น้องหนุ่งทั้งหลายที่รู้จักมักคุ้นก็มา อ, อบอุ่น แต่จะตุปัจจัยที่หลวงพ่อได้เตรียมไว้ให้ท่านหน่อยกับคณะเป็นผู้ถวายพรนะเนอองค์ที่มาไกลก็ถวายท่านมากหน่อยเพราค่ารถค่าราค่าเครื่องบินของท่านแต่องค์อยู่ใกล้ถวายน้อย ช, ชีถวายยังไงแต่ตามปกติชีเราก็ถวายหมอกให้คนรับประมาณพันบาทมาั้ง อันนี้ก็คือการถวายจตุปัจจัยที่พวกทางวัดของเราได้เตรียมถวายพระสงฆ์ในงานแต่ขนาดนั้นก็หมดไปแปดแสนแปดลูกล้านนะพวกเราทำบุญ น, นะวัดของเราทำบุญ น, นะแปดแสนแปดยังไม่นับแจกของชาวบ้านอีกแจกของชาวบ้านหมดไปเท่าไหร่มันหลายแสนอีกเหมือนกันนะแต่เขายังไม่ยื่นรายงานมาให้หลวงพ่อ ที่พวกแก่เข้าสารอาหารแห้งอีกต่างหากนะอันนี้แหละก็คือการเฉลี่ยการทำบุญแต่ลูกพ่อได้ยินทางโรงครไอ้พวกโรงทานทั้งหลายมาทำโรงทานรู้สึกว่าผู้ที่มาใช้บริการก็ประทับใจนะโอ้โรงทานก็มีน้ำใจมากขอเท่าไรใหเ้เลี้ยงอยู่เลี้ยงกินแบบล้นหลามเลยมันมาทำแบบเลี้ยงแขกเลี้ยงคน บางทีให้อาหารมาในเขายังยกย่องนะลงลงครัวแ ม, ม่ห้องสอนก็ว่างนะเ อ, ออาหารแปลว่าเต็มที่เลยว้ น, นี่แหละอันนี้ก็คือการมาสร้างลงทานมาทําบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่หลวงพ่อก็มีจิตใจอย่างนั้นจริงๆนะในงานในเมื่อทำไมีการเสียสละก็ต้องเสียสละคนที่เสียสละเนี่ย อย่างลงตาเคยรับรองรับประกันไว้เลยว่าเอาเถอะทางว่กใครก็ตามทำบุญทำบุญทาทานตามทำนองคลองทำนะคิดให้ดีซะก่อนดูให้ดีซะก่อนอย่าค่อยทำบุญทำทานถ้ามันเจ๊งมาเนี่ยเพราะทำบุญเน่บอกมาแล้วเราจะเราจะทดแทนคืนให้ลงตาท้าถึงขนาดนั้นล่ะลูกหลานนะเพราะนั้นเวลาการทำทาน เวลาการทำบุญทำทานมันไม่หมดไม่เสี่ยงเราคิดให้ดีจะก่อนทำคล้ายๆก่อนเหมือนกับเร า, เาจะปลูกข้าวเนี่ย เ, เราจะปลูกข้าวไม่ใช่ว่าเราได้เมล็ดข้าวมาแล้วก็กมหวานเข้าป่าเข้าวโดงไปเลยแล้วก็มานั่งคอยมันจะงอกเงยไหมยอย่างเนี้ยไปว่าทำทำไม่คิดไม่อ่านาทำไม่ไม่ดูไม่ใช้ปัญญาเนะี่ย ดูสิมันหวานเข้าป่าหญ้าแฝกยญ้าคาหวานเข้าโรงแล้วลปนั่งคอยให้มันออกหลวงนะ่ยเออมันจะออกรวงไหมมันก็ไม่ออกรวงเนะี่ยหลงตาท่านสอนอย่างนั้นนะสอนให้ใช้ปัญญานะในการทําทานนะเวลาหวานลงไปเนะี่ยเราต้องปรับพื้นที่ที่นานะปรับท้องนาให้ดีไถคลาดให้เรียบร้อยแล้วก็มีน้ําพอเหมาะ แล้วก็ดินเป็นยังไงมีปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยเข้าไปจากนั้นก็ปักดั่มหรือหว่านลงไปหว่านลงในเนื้อนาที่ดีไม่ท่วงไม่แรงน้ําพอเหมาะจากนั้นเราก็รักษ า, าพวกสัตว์พวกผึ่งต่างๆที่จะครอบงำต้นข้าวของเราอย่านันตนี้ต้นข้าวของเราก็ออกงอกเงยอย่างเต็มที่ เราก็หวังผลได้เราก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวนี่แหล ะ, มะเมล็ดข้าวก็เป็นมเมล็ดข้าวที่ดีคือไทยธรรมของเราเนี่ยได้มาโดยบริสุทธิ์ด้วยการด้วยงานของเราไม่ได้คดไม่ได้โกงไม่ได้ป้นไม่ได้จี้ไม่ได้เบียดบังไม่ได้เอาของที่มันไม่ดีมเมล็ดพืชของเรามเมล็ดข้าวของเราดีได้มาโดยดีโดยชอบทำ มเม็ดข้าวมันได้ข้ามปีมันได้แช่น้ำมาก่อนเออเป็นเมล็ดข้าวที่ว่าคัดมาอยา่างดีและก็หวานลงในเนื้อนาที่ดีเออแล้วก็รักษาปุ๋ยรักษาน้ำวัดเพาพืชแม่แห้มันคอบงับผลที่สุดข้าวตอนนั้นมันจะไปไหนเพราะเหตุผลมันพร้อมแล้วมันก็ต้องงอกเกิด อ, อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต เรารักษาเม็ดข้าวก็ดีเนื้อนาก็ดีหวานลงไปนี่แหละอันนี้ท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าทานทัยธรรมของเราก็ได้มาโดยบริสุทธิ์พระสงฆ์ที่มารับทัยธรรมก็เป็นผู้บริเป็นผู้เป็นผู้ผมีศีลเป็นผู้ทรงศีลมีศีลมีธรรมทางว่าเราหวานลงไปทำบุญลงไปแล้วท่านว่างงอกเงยนะ อันนี้ใครเราศึกษาในพระไตรปิฎกนะคณะทาญาทโยมโลูกหลานอันใ้พูดหลวงพ่อพูดตามหลักพระไตรปิฎกแลก้วกหลวงพ่อก็มั่นใจอย่างนั้นอีกต่างหากเพราะมันเป็นเหตุผลถ้าพวกเราได้ข้าวอดีขนาดไหนคือเม็ดข้าวดีใหม่ใหม่หมัดหมัมอแต่หวานเข้าไปใน ป, ปาา่าหญ้าแฝกแย่คานะแล้วก็หวานเข้าไปในดงอ่เอมันจะงอกเงยขึ้นมาได้ไม่ข้าวอ มันก็เหตุผลก็งมันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเพราะเด็นหนึ่งอันนี้ก็คือการทําทานเพราะฉะนั้นเห็นพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมมาตั้งโรงทานเลี้ยงแขกเลี้ยงคน่ถวายพระสงฆ์อีกต่างหากหลงพ่อเห็นก็อื้งเป็นแนวท า, ทางของพระพุทธเจ้าแนวทางของพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ท่านเดินมาผ่านมาเนี่ยท่านทําอย่างนี้หละ่ะต้องเป็นผู้เสียสละ แต่การเสียสละทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ไม่เห็นหนักใจไม่ให้ใจเดือ ด, ด, อดร้อนไม่ใช่ว่าจะขายไรขายนามาแล้วก็มาทํามุลทําทานไม่ใช่ขนาดนั้นนะถ้าทําอย่างนั้นก็อีกโง่อีกเหมือนกันไม่มองตัวเองถ้าว่าถ้าเราจะทําอย่างนั้นได้เราต้องออกบวชอย่างพระโพธิสัตว์ท่านเป็นเศรษฐีเศรษฐีเราเกิเสียสละว่าจะออกบวชอะไรเสียสละ ทำบุญทำทานแบ่งปันใครมารับแบ่งให้หมดปีน้องญาติโกโหติกาจนทำบุญทำทานเข้าไปแล้วมันจบไม่เปลี่ยนมันมากกว่างั้นโอ้โหไม่ได้ไม่ไดเ้เดี๋ยวจะเสียเวลาตัวเองอีกต่างหากให้ทานทั้งเป็นปีๆก็ยังไม่จบไม่หมดของมันเยอะเอาเอาใครจะเอาอะไรเอาเลยเแต่จะไปแย่งกันจะไปฆ่ากันแล้ฆ่าจะหนีแล้วเ อ, อ พราถ้าขืนแจกไปหมดเดี๋ยวชีวิตมันพยามัจยุรัชเหมือนกับหมาไล่เนื้อนะ่ะไล่มาเรื่อยๆ เ, เราจะไปอยู่ได้ยังไงเนะี่ยเราต้องหนีใช่ห น, ะเนีเข้าไปบําเพ็ญพศอยู่ในป่า น, ะนี่แหละพระโพธิสัตว์ท่านเป็นอย่างนั้นนะจากนั้นท่านก็ไปบําเพ็ญในป่าท่านไม้ทานอะไรนะท่านหยุดทานอะไรเวลาท่านไปบําเพ็ญในป่าท่านหยุดหมดเลยในการทําทานท่านก็ไปหากินใบหมากเม่าบางัง เอาหมันนึ่งแล้วก็หัวเผือกหัวมันอ า, อาหารอไราะไรพอจะกินได้ท่านก็มาหากินเพื่อเลี้ยงชีพทล้วก็ท่านพวนาอย่างเดียวเลยเพ่งกรสินอย่างเดียวเพ่งตะปะอย่างเดียวอาจากนั้นท่านก็พอล้มหายตายจากชาตินั้นโดยมากจะขึ้นไปสู่พรหมอพอท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่าดง ตดยหมักนักภาวนาเนี่ยทั้งหลายจะไปสู่พรมนะลูกหลานนะแตาว่าอันนี้สงสินทาศิลรักษาศิลธรรมทานปฏิบัติปิดาบานดาช่วยสาธารณประโยชน์พวกนี้จะไปสู่สวรรค์นะสวรรค์6กชั้นจะไปอยู่ที่นี่นะชั้นรูชิตชั้นจาตุมชั้นยามาตุติตายตะวติงจ่าตุจาตมจะอยู่ในในภพภูมินี้ ทำบุญน้อยก็มาเกิดเป็นภูมิมลุขะเทวดานะอันนี้ก็คืออันนิสงศิลอนนิสงทานแต่อ น, นิสงภาวนาเนะี่ยโดยมากจะไปสู่พรมนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยท่านสรุปแล้วก็คือท่านให้ประกอบคุณงามความดีประกอบคุณางามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานี่แหละมาเห็นเมื่อวานเนี่ยก็หลวงพ่อเห็นแล้วก็เอออบอุ่น กับศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ออกไปดูไปนั่นละ่ะเพราะ่หลวงพ่ อ, อยุ่ถึงปูณนี้แล้วนะมีแต่นั่งคอยผลงานของตนเองเอข่าหลวงพ่อนสอนลูกสอนหลานสอนคณะศรัทธาญาติโยมสอนสิทญาณนุสิธิ์ไม่ลูกกี่ครั้งกี่หนกี่รุ่นนะหลวงพ่อก็มีแต่มานั่ง ทำแบบคนแก่ทั้งหลายกับมือนั่งกายหน้าผากดูผลงานของอที่เราได้ผ่านมาแล้วสอนมาแล้วเป็นยังไงแต่บางครั้งบางคราวมันก็มีอยู่บ้างนะาบางทีลูกหลานเกเรก็คงจะมีอยู่แต่ถึงยังไงหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายต้องทำใจบางครั้งนะแต่ถ้าทำใจไม่ได้บางที่ก็ลงแท่หัวบ้างฮะ แต่ทึ้งยังไงกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ความว่าคิดอาฆาตพระยาบัดจองเวรจองกรรมกับใครนะไม่มีในใจเพราะจองกรรมจองเวรไปกระเทานั้นมันได้อะไรมีแต่เสียมันไม่ถูกมันไม่ถูกต า, ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้สอนให้มีเมตตาถ้าใครผิดจะถูกทังไงมันผิดนะถ้ามันถูกแล้วจะผิดได้ยังไง มันทุกเออแต่ว่าตัวเองก็ดันทูลังไปอย่างนั้นนะอ่ออย่างนั้นแปลว่าไม่ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะนั้นในจุดนั้นเออจะเป็นผู้ใดใครก็ตามนะจะเป็นหลวงพ่อเองก็ตามหลวงพ่อยังสอนลูกสอนหลานสอนทุกคนว่าทำอะไรต้องฟังฟังหน้าฟังหลังฟังหมู่ฟังเพื่อนอย่าไปหัวชนฝานะเขาบอกหัวชนฝาแนละ้วไม่ยอมฟังใครดนะันั้นเสียหายนะลูกหลานนะ แต่ถึงอย่างไงก็ตามเราคิดว่าพวกเราไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในโลกวัะสงสารตายไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นอีกสักวันเดินข้างหน้าเนี่ยอันไหนดีรู้ไม่ดีอันไหนชั่วรู้ไม่ชั่วทั้งที่ตัวเองรู้ว่าชั่วมันอยู่แล้วก็ยังดันทุลังอยู่ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรอันนั้นไม่น่าจะถูกนะลูกหลานนะ ถ้าเป็นลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อแล้วก็ต้องอยู่ในหลักเหตุผลต้องฟังต้องสังเกตฟังหลายแง่ ม, มุมพอโรคก้อนนี้ใบนี้นะ่ยมัน ม, มีมีหลายเหตุผลน ะ, เ, ะเหตุผลหนึ่งมาเราก็ต้องฟังเหตุผลหนึ่งมาต้องฟังแต่พอฟังแล้วก็สรุปว่าเหตุผลไหนที่เหนือกว่าที่เหนือกว่า เ, เราต้องยึดเหตุผลที่เหนือกว่าถ้าเรายังตัดสินยังใจยังไม่ได้ เราก็ต้องหาผู้ที่รักเคารพที่ผู้มีปัญญานะมาช่วยตัดสินใจด้วยเอ๊ะแหมมันถูกไหมออย่างหลวงพอนะ่อเนี่ยหลวงพ่ออยู่อย่างนี้นะทั้งที่หลวงพ่อเคยผ่านโลกมาถึงขนาดนี้แหละแต่บางเสียงบางอย่างทางโลกนะ เ, เขามีสัญญงสัญญาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือแพทย์อย่างนี้ เ, เขาจะมาเขามาให้มาหลวงพ่อดูให้หลวงพ่อเซน หลวงพ่อก็ต้องดูซะก่อนอืไม่กล้านะเพราะว่าเซ็นไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาตามมาหรือไม่ในแง่ของกฎหมายหลวงพ่อก็ต้องเรียกพระในวัดของหลวงพ่อมาอที่ท่านรู้ทางกฎหมายมาอ่านดูซิเป็นยังไงมีปัญหาไหมตรงไหนที่จะมีปัญหาเนี่ยเอพระเขาบอกตรงนี้ตรงนั้นเก็ทําความเข้าใจ ก, กันกับเจ้าของเขา เสร็จแล้วคือเอาตัวนั้นควรจะตัดออกนะควรจะล้างออกนะอเอา้าเสร็จแล้วเอาเส้นเออหลวงพ่อยังค่อยเซ็นนะะคาดจะใครเขาตามจะให้เซ็นหนังสือโดยที่หลวงพ่อจับมือเซ็น แ, แต่นี่ถอยหลังนะหลวงพ่อจะยังไม่ทําเออแต่เว้นเสีย ต, ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อแก้งกงเงนังนเอัลุกเสร็จ อันธพานทั้งหลายเขเข้ามาแต่กอมเกา่าหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยอันนั้นยังไม่แน่เหมือนกันนะหลวงพ่อแก่ใช่ไหมแต่หางว่าหลวงพ่อยังมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างทุกวันนี้นะใครจะให้เซ็นอะไรนะหลวงพ่อจะต้องเรียกลูกศิษย์มาหลายหลายองค์สักก่อนไม่ใช่องค์เดียวนะสองสามองค์อย่างน้อยนะอ่านดูซิพอเสร็จแล้วนะคอยยังคอยเซ็นอถ้าเซ็นไปแล้วมันมันเป็นผลนะ ถ้าเป็นลายเสียงของของหลวงพ่อแล้วมันเป็นผลทางว่าไปในทางที่ดีมันก็ดีไปนะทำไปไปนะ้าทางที่ไม่ดีกันเะสียหายเนะพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่พระที่อยู่ใกล้หลวงพอ่อถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องโดดเข้ามาเข้ามาช่วยต้องมาประคองหลวงพอ่อเมื่อใหญ่ขึ้นมาอายุมากขึ้นมาก็ต้องอาศัยลูกหลานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ คอยดูผลงานอย่างที่ว่าไม่ว่างานนอกงานในไปนะงานหนพอหลวงพ่อสอนสอนความรอบครอบให้ลูกหลานไปอ่านไปฟังดู MP3 ของหลวงพ่อร4อแผ่นอ่านให้จบฟังไปสิแผ่นกันกันไหนบ้างเทศแผ่นไหนบ้างที่คิดทำร้ายทำลา ย, รายประเทศชาติบ้านเมืองทำลายพระพุทธศาสนาทำลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำลายลูกศิษย์ลูกหา ทำร้ายทำลายผู้ใดไปฟังดูถ้าว่าจุดไหนที่ฟังดูแล้วลูกหลานฟังดูแลเออเหตุการณ์ น, นี้แผ่นที่ทถานี้กันนี้คำพูดนี้อยู่ในนาทีนั้นออหลวงพ่ออินพูดทาแม่งทำแม่ ง, มง เ, ออเป็นการทีออ่ไม่ชอบมาพาคนเป็นการดูถูกเกลียดย่ำ ผู้คนทําให้เสียหายสิ่งเหล่านะั้นหลวงพ่อเองก็อยากจะฟังฟังเหมือนกันฟังเสรจแล้วหลวงพ่อก็จะเอามาวิเคราะห์เเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่ออยู่ในโลกวัฏฏสงสารแต่นัหลวงพ่อแต่บัดนี้หลวงพ่อมั่นใจเลยเทศทุกกันทุกแผ่นหลวงพ่อว่ามั่นใจฮที่เราชี้แจงได้อ้างเหตุผลได้อที่พูดไปนั่นเนพ็นเพราะเหตุไร หลวงพ่อมั่นใจจริงๆพูดในกล่าวใจเอ็มพสเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะแต่ถึงยังไงก็ให้พวกลูกหลานทั้งหลายคิดดูย้อนดูตัวเองเออมะละนังเมภวิติตดูก่อนอานอนท่านระ ล, ลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะอานอนท์เธอยังเป็นผู้ประมาทเธอควรจะคิด ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก <c oughs> หายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงกว่าขนาดนั่นแนหะถ้าคนใครก็ตามถ้าระลึกถึงความตายอยู่ในตัวของเอกตัวเองอยู่แล้วนะความมักใหญ่ไฟสูงความทะเยอทยานคิดว่าตัวเองจะอยู่ในโลกตายไม่เปลี่นเลยเฮ้มันมันหมดไปนะลูกหลานนะอันไหน ที่จะถูกต้องอันไหนที่จะเป็นธรรมอันไหนที่จะรวบรวมเก็บหอมรอมริบเข้ามาสู่จิตใจจังไงจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวของพุทธนะเนี่ยถ้าเราเราลึกถึงความตายลเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่คิดว่าตัวเองจะตายนะ่ในจักรวาลเนะี่ยโลกกภโลภโลภโลภจะไม่มีที่สิ้นสุดใชนะ่เหมือนพยามรรธาตุราช ครอบครองในพื้นปฏิพีหมดแล้วเนี่ยพระเอ็นเห็นว่าโอ้โเป็นผู้มีคุณธรรมไ ป, ไปพระยาจั ก, กรพัฒน์ไปเจ้าจั ก, กรพัรน์มนธาตรุราชเลอกเชิญขึ้นไปสู่สวรรค์ไปสูสวรรค์ชั้นจารุมพระเอนก็แบ่งสวรรค์ให้อีกครึ่งหนึ่งแล้วปกครองกันโงละคนละครึ่งแต่ทั้งโลกนี่ก็มีแลวและเออ เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองทั้งโลกเลยก็ยกยศให้เลยขึ้นไปสวรรค์พระอินทร์ก็แบ่งให้อีกครึ่งหนึ่งอพอเสร็จแล้พออยู่ไปนานๆขึ้นมาความโลภมันมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างว่านะมันโลภเลยโลภในลาบโลภในยศโลภในทรัพย์ิญโลภในสุขกว่ากันใะความโลภในใจมันโลภมันอยากยากอยากอยู่ในจิตใจแถ้าเราทําไมจะไปหาแบ่งครึ่งเดียวให้รับ ถ้าเราคิดฆ่าพระอินทร์ซะเราจะได้ปกคร้องทั้งชั้นดาวดึงเลยคิดใหญ่นะความโลภนะ่คิดใหญ่นะถ้าเราฆ่าพระอินทร์ซะเราก็จะได้เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงทั้งหมดอันนี้เราเขาให้เพียงครึ่งเดียวเขาครึ่งหนึ่งแล้ว เ, เป็นคนละครึ่งกันนะผลนะผลที่สุดกบวางแผนจะฆ่าพระอินทร์เย แต่พระ อ, อินทร์มันฆ่าไม่ได้เลยอเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลดนะ้ไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์มันวางวางหมาดวางอาฆาตฆ่ากันได้วางแผนฆ่ากันได้มนุษย์นะแต่พระ อ, อินทร์บุญนะมันเป็นบุญของไขของเราแต่พระ อ, อินทร์แบ่งให้ก็คือว่าพระยาบรรฑาตุลาเนี่ยเป็นบุญเป็นผู้มีบุญมากอยู่แล้วนะขึ้นไปค่อไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวประเดิง ท่านก็อยู่แบ่งกันคนละครึ่งกันคล้ายๆว่าเป็นที่ปรึกษาการสหธรรมิกกันลักษณะอย่างนั้นแต่อย่างนีนะ้ในใจไม่เป็นอย่างนั้นใช่แล้วพยายามบรรทาตุราชทางนอกก็ดีอยู่แต่ว่าแต่ทางในมันคิดฆ่าพระอินทร์พอคิดฆ่าเท่านั้นแหละบุญกุศลตัวเองก็หมดเลยตอนนี้พอมันจิตเป็นอ ก, กุศลจิตเป็นบาปจนะิตเป็นบาปอ ก, กุศลมันจิตไม่เป็นบุญกุศลเลย เป็นบาปอกุศลพอคิดบาปมาตกจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยว่างั้นเลยตกลงมาเนี่นะยตรงมาอยู่เมืองอะไรถ้าเมืองมนุษย์โลกทุกวันนี่ก็ว่าเมืองกุชิดาลาเนี่ยนะเป็นราชธานีสมัยนั้นนะเมืองกุตุงกุกตุมวัต ด, ดีอะไรอะไรลุงพ่อก็จำไม่ชัดนะพอตกลงมาเนี่ยพระเยา ม, มันทานตุลา หนีจากมนุษย์ไปขึ้นไปอยู่สวรรค์คนอายุหมื่นเป็นเป็นหมื่นหมืนปีได้ลูกหลานสมัยเป็นหมื่นหมื่นชั่นแสนปีในพระไตรปิฎกทันว่าอย่างกันพอตกลงมาถึงตกในอุทยานนายอุทยานก็เข้าไปก็ไม่รู้แล้วพอมันลุ่นหลานรุ่นเลนเลยได้แต่นี่มันก็เขาว่ารุ่นลุ่นรุ่นนั้นมันหมดไปแล้วอท่านนี้ก็ถามทำไมมาตกอยู่ยังไงอยู่ยจงไงตกมาจากสวรรค์ใช่ พยายาบรรทาตุราชเอ้ยเราเนี่คือพยามบรรทาตุราชเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในเมืองนี่แหละเป็นใหญ่แต่ เ, เข้าเราขึ้นไปสู่สวรรค์ไปบอกคนนั้นคนนี้มาหาเราหน่อยนะยแต่พวกรุ่นรุ่นของท่านที่ท่านมอบหมา ย, ยสดราชสมบัติให้เนี่ยก็ยังพอมีอยู่พวกรุ่นต่อต่อมาพอเขามาเห็นโอ้พระเจ้าจากักรพรรดินี่น เป็นเจ้าเจ้านายเจ้าในายใหญ่ของเรานะเจ้าในายใหญ่ของเราตัวเนีนะ้ขอทูลเชิญเข้าไปเป็นพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างเก่าที่ราชสำนักพระเจ้าจากักรพรรดิบอกเอยไม่เอาไม่เอาละไป อ, อ ไ, ปไปประกาศประกาศความชั่วตัวเองนะยังดีได้ยังเป็นปลฏาดอยู่ได้ ให้เข้ามากระบอกเป็นคำโครงขึ้นมาว่าประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนละยพญามันธาตุราชครองแผ่นดินในโลกทุกทั่วทุกสัตว์ทุกถั่วและแห่งของโลกนะเป็นพื้นที่ของพระเจ้าจากักรพรรดิมันธาตุราชทั้งหมดจากนั้นพระอิน์เอาขึ้นไปสู่บนสวรรค์ก็มอบสวรรค์ให้ชั้นหนึ่งให้เครื่องหนึ่ง แต่ความโลภนั้นยังไม่เพียงพออยากคิดฆ่าพระอินทเพื่อจะยึดชั้นจารุมชั้นดาวถึงทั้งหมดเพื่อจะฆ่าพระอินทแต่คิดฆ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นบาปกรรมตอนั้นข้าพระเจ้าจึงตกลงม า, าลงมาถึงในวันนี้แหละอขอประกาศให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบว่าความโลภไม่มีที่สิ้นสุดความโลภจะทำตัวให้จีบหาย ความโลภทําโลภนะทำตัวให้ตกต่อความโลภนะเป็นของที่ไม่ดีไปประกาศให้ทั่วบ้านทั่วเมืองปไปอปรโกรธประกาศความโลภพระเจ้าจากกักรพรรดิมัณฑาตุราชนะพในสจุลเขาก็ประกาศประกาศกลับมาท่านก็ได้สวรรค์นะครันี่แหละ <c oughs> ท่านพูดในพระไตรปิฎกนะลูกหลานนะนะความโลภมากก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะ่ะทําให้ตัวเองจีบหาย จะเป็นโลภอะไรมากมายนักหนาคิด ถ, ถ้าคิดถึงความตายของตนเองแล้วเอาไปทําไมยังไม่พอเหรออย่างหลวงพออินอย่างทุกวันเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้อถ้าฉันอาหารให้ท้องแตกมันก็แตกได้จริงจริงอาหารจังเยอะแยะไปนะเออแล้วสัทธายาโจมอย่างเมื่อวานนะมาก็เยอะมากรลบหลวงพออินนะลบหลวงพออินได้อะไรทนะ่านนี่ฮะมากรลบนับถือเริ่มใส่หลวงพออิน หลวงพ่ออินกันนั่งยกเครืเรียกเลยวอลล์แห่แห่แแห่แห่อยู่ทั้งวีทั้งวัน เ, เดี๋ยวก็จะเอายากล่อมประสาทมาให้หลวงพอกินกินอีกแต่ น, นี่พอยแล้วพอหลวงพ่ออินดีใจใช่เออก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังให้เป็นแนวความคิดนะจุณนะที่สถานที่ใดอย่าลืมตัวสรุปแล้ว ถึงก็จะนับถือเรื่องสขนาดนะก็เป็นเรื่องหัวใจเขาเราทำดีเพียงพอหรือยังคุณงามความดีเราพอหรือยังมรรคผลนิพพานอยู่ในใจของเราพอหรือยังนั่นจุดนั้นแหะความพอจุดนั้นน่ะให้พวกเราเพ่งมองอยู่เสมอแต่พวกเราเพ่งมองในจิตในใจอย่างนั้นเสมอไปอยู่นัตสถานที่ใดไปนัตสถานที่ใดอยู่นัตสถานที่ใดไม่ลืมตัวนะ น, นะเลิศประเสริฐนะูกลานนะรับพร